ไปเจอกับสหธรรมิกไปเจอกันใหม่ก็ไปพูดเกี่ยวกับวินยัยสนทนาการเกี่ยวกับวินยัยสิกขาบทนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นสิกขาบทนี้เป็นอย่างงี้อย่างงี้แต่องค์ที่อธิบายเรื่องวินัยให้ฟังนั้นท่านลืมท่านลืมไปจากนั้นก็แยกย้ายกันกลับพอแยกย้ายกันกลับ ต่างองค์ก็ต่างนอนองค์ที่อธิบายวินัยให้ฟังเอามือก่ายหน้าปากว่าเราอธิบายวินัยให้เพื่อนพระฟังเนี่ถูกต้องหรือเปล่าพอทบทวนนะโอไม่ได้ผิดเราบอกผิดแล้วเนี่ยผิดวินัยละแค่ว่าเราบอกสิขบวนี้ไม่ถูกต้องแล้วถ้าองค์นั้นจําไปอย่างๆที่เราพูดเนี่ยท่าเราตายค่ําคืนเนี่ยเมื่อเราตายไปเดี๋ยวเนี้เราไม่ได้ไปแก้ไขให้องค์นั้นอ่ะองค์นั้นก็จะเอา ทำที่เราอธิบายเนี่ยไปพูดให้องค์อื่นฟังอีกองค์อื่นก็จะเข้าใจพระวินัยคาดเคลื่อนไปอีกไม่ได้ท่านก็เลยสมัยนะั้นไม่มีไฟฉายใช่ไหมไมีจตไฟเทียนลงมาจากเขาเลยอย่างนั้นเดินลงมามาหาที่พักขององค์นี้มาบอกว่านี่นะที่สนทนากันนะผมพูดวินัยผิดไปตามที่จริงมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะผมทบทวนดูแล้วมันเป็นอย่างนี้ที่ผมพูดครั้งก่อนนะผิดนะ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 ที่มีสาระที่เป็นประโยชน์สําหรับภาคปฏิบัติจากนั้นก็มีเทปเทปก็มากที่องค์หลวงตาอธิบายธรรมะขั้นสูงสูงลําดับลระดับมันไปจนถึงที่สุดว่า ง, งั้นเถอะที่สุดก็คือมรรคผลนิพพานแต่สมาร์ทที่หลวงพ่อในพูดในเทปเนี่ยก็คือเรื่องการปรับตัวการอยู่ร่วมกันในชุมชนพ่อแม่พี่น้องการอยู่ร่วมกัน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 ต่อชุมชนสังคมไม่มากก็น้อยเพราะนั้นจึงได้อนุญาตให้ออกแจกจ่ายดูแล้วก็อยากจะฟังเสียงสะท้อนเหมือนกันนั่นะอยากจะฟังเสียงสะท้อนหลวงพ่อพูดออกไปคำใดพร้อมที่จะยอมรับทุกคำติเตียนเพรางั้นแต่ไม่ยอมไม่ยอมรับคำชมหรอกอยากจะยอมรับคำติเตียนถ้าวว่าใครมีความเห็นว่ายัางไงพร้อมยอมรับแล้วก็จะปรับปรุงแก้ไข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 พอฟังฟังไปก็น่าลําคาญตัวเองเหมือนกันน ะ, เ, ะเพราะทําไมมันพูดช้าขนาดนี้เราพูดนะทำไมเราพูดเร็วอยู่นะทําไมมันไปพูดใส่เทปออกเป็นเทปแล้วทําไมมันช้านะี่มันแปลกเหมือนกันนะ่่ะเพราะฉะนั้นการที่จะฟังคําพูดของหลวงพ่อเนี่ยต้องนั่งดีๆเอามือก่ายหน้าผากดีๆค่อยฟังเอเอะจะรู้ได้จะวิเคราะห์ได้ว่าเออพูดเป็นยังไงยังไงยังไงย้งงําช้ า, ชา ถามว่าคนที่ช้าเน่ยเออก็ชอบนะแต่คนที่เร็วนะลำคาญคนที่เร็วนะลำคาญลำคาญคําพูดของหลวงพ่อในเทปแต่หลวงพ่อเองหลวงพ่อก็ยังลำคาญเอ๊ตามปกติเราพูดเร็วอยู่นะทําไมมันเสียงอยู่ในเทปทําไมมันช้าหรือว่าเวลาอัดเทปมันเอ๊ะชลสโลอหรือเปล่าก็ไม่รู้นะวะ<อ>ทำไมมันเป็นอย่างนี้วะแต่ทีนี้มันฟังประกันไหนกระทุกกันทลยเนีเอ่อแสดงว่าเราเนี่ยพูดช้าว ะ, วะ แต่ทำอย่างไงได้เออุปนิสัยใจคอนะี่จะไปเปลี่ยนพูดไปถ้าพูดเร็วพูดผิดพูดถูกก็ยิ่งแย่ใหญ่อีกท่านนี่ก็เลยพูดเอาช้าตามช้าเลยตามเลยไปอย่างงั้นเพราะอันั้ น, นะ พ, น, นพวกเรานะ เ, าเป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อเหลวงพ่อพูดชา้าพวกเราก็ฟังช้าตามแบไอค่อยๆฟังไปเรื่อยๆนะแ ต, แต่ถึงอย่างไงก็ฟังให้เกิดสาระให้เกิดประโยชน์นั่นแหละแต่ว่าจิงตรงไหนที่ ฟังดูแล้วมันขวางหูหรือว่าไม่ถูกต้องเอาเขียนใส่กระดาษนดๆ น, ด น, ดนดมาก็ได้หลวงพ่อยินดีรับฟังเหมือนกัน